ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศึกษาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันทาไม่ดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้เดือดร้อนทั้งไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า